แนะนำบทอัจจันจละบทอัจจันจละเป็นบทมารณียะมีแปดองค์การแต่ในจำนวนของบทคล้ายกับบทมักกิยาเพราะในบทมีการกล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันเกียร์มาในที่นี้กล่าวถึงความวันไหวและการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นในวันอวสารโดยที่สิ่งก่อสร้างที่สูงตร angkan จะถูกกระแทกและภูเขาที่สูงทุกขนทุกแห่งก็จะพังทลายลงอย่างราบคาบ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 จากทุ่งมาชาัดไปยังสวนสวรรค์หรือนรกและจำแนกมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกคือคนที่มีความทุกข์และคนที่มีความสุขด้วยพระนามของ al aw, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวย่าง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 ดังนั้นผู้ใดกระทําความดีหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมันส่วนผู้ใดกระทําความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน